หรือว่าสื่อมวลชนที่เคยแสซ่ซองสารเสริญหรือเชียตอนนี้ก็หันหลังให้แล้วอันนี้มันพิจารณาแล้วก็ชวนให้ปร่งแล้วก็เป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกแล้วก็ชีวิตนี้มันหาความแน่นอนไม่ได้ความผันผวนแปรปรวน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 ตอนที่ร่างกายเจริญตอนที่อยู่ในภาวะที่เจริญหรือขาขึ้นเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาหรืออาจาจะเพลินกับภาวะขาขึ้นไม่ว่าในทางลูปธรรมหรือนามธรรมาเช่นความสำเร็จในงานการความเฉลียวฉลาดสุขภาพภารณามัยหรือว่าการเจริญในเรื่องของ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 หรือเวลาลืมทิ้งเอาไว้เช่นลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านนี่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยอยู่ที่ทํางานนี่กระสับกระสายเลยไม่เป็นอันไม่เป็นอันทํางานมีแต่ความวิตกกังวลอันนี้แล้วว่าเราเป็นธาตมันหรือเวลากระเป๋าราคาแพงมันมีรอยขีดรอยขวนขึ้นมาหรือว่ารถยนต์ของเรามีรอยขีดรอยขวนขึ้นมา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 อยู่กับมันได้ยังไม่ทุกข์ืเหมือนกับลิ้นงูลิ้น ง, ง, ง, งูนี่มันอยู่ท่ามกลางเขี้ยวของอสรพิษแต่ว่าเขี้ยวอสรพิษนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตเรานี่เหมือนก็อยู่ท่ามกลางอสรพิษแต่ว่าถ้าเราอยู่กลางปากอสรพิษเหมือนกับลิ้น ง, งูเนี่ยมันก็ไม่ตายนั่นการที่เรามาเจริญสตินี่นะมันมันช่วยให้เราได้เห็น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 ตอนนั้งที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไปคิดถึงเขาทาไมเนี่ยอันนี้มันต้องรู้จักวางบ้างเรารู้จักวางบ้างอันนี้ก็เรียกว่าฉลาดเกี่ยวข้องกับสมมุติเกี่ยวข้องกับโวโขนให้มันเป็นแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงเพราะการที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวาง